บันี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนิยะแห่งประวุธดารัตที่สัตว์ตอบคำถามท่านเหมะกะมานพในตอนสุดท้ายทรงชี้เห็นคุณลักษณะของพระอาหารหันต์ผู้ขจัดทาลายอาสวะกิเลสให้หมดไปสิ้นไป จากจิตสันดานว่าเป็นผู้มีความสงบทุกการทุกสมัยไม่มีจิตใจสายไปด้วยอนาจของตัณหาในอารมณ์ทั้งหลายในโลกนี้คุณลักษณะข้อนี้เป็นการแสดงธรรมะอุติชั้นสูงสุดซึ่งสํานวนศาสนาใช้คําว่ามีอรหัตเป็นยอด แต่ในขั้นตอนของการปฏิบัติแล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงหลักอันเป็นปฏิปทาที่จะช่วยผู้ปฏิบัติสามารถขัดเกลาวจิตใจของตนจนได้สัมผัสความสงบในชั้นต่างๆตามสมควรแก่การปฏิบัติของตนปัจจัยที่ก่อให้เกิดความให้สงบนั้น มีทั้งปรับภายในคือใจของบุคคลเองและมีทั้งจากภายนอกคืออารมณ์ทั้งหลายในโลกนี้แต่ปัจจัยทั้งสองประการนี้จะต้องมีส่วนที่สัมพันธ์กันถ้ากว่ามีเพียงด้านใดด้านหนึ่งความพุ่งสั้นทางจิตใจก็ไม่ได้เกิดขึ้นข้อนี้พิงสังเกตวัตถุบุคคลเรื่องราวบางอย่าง ที่บุคคลไม่ได้เก็บไปได้รับรู้ไว้ในฐานะใดฐานะหนึ่งไม่ต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านั้นใจก็จะไม่ตกไปในความกําหนัดหรือในความขัดเคืองต่ออารมณ์เหล่านั้นเมื่อใดที่ใจไปเก็บไปกําหนดอารมณ์เหล่านั้นไว้ในฐานะที่ชอบหรือที่ชังความรู้สึกเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจก็จะบังเกิดขึ้น ประเด็นที่น่าศึกษาก็คือว่าสภาพที่สงบอย่างถาวรมั่นคงภาในจิตใจของพระกรีนาศพทั้งหลายหรือพระอาหารหันต์ทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นจากการขาจัดสิ่งที่เรียกว่ากิเลตออกไปจากใจอย่างสิ้นเชิงอารมณ์ทั้งหลายภายในโลกก็คงมีอยู่เป็นอยู่ตามปกติธรรมดามันคือไม่ได้ไปแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอะไรอารมณ์ในภายนอก ก็เป็นเรื่องของธรรมชาติธรรมดาแต่เมื่อเชื่อภายในจิตใจไม่มีแล้วอารมณ์เหล่านั้นก็เป็นเพียงสักว่าอารมณ์อย่างที่ทรงสอนไว้เป็นนั้นมากในชั้นของการทําความส ง, งบใจรูปก็สักแต่รูปเสียงก็สักแต่เสียงกลิ่นก็สักแต่กลิ่นเป็นต้นก็มีความรู้สึกเพียงเท่านั้นจิตใจของบุคคลก็จะส ง, งบได้ วันนี้พึ่งสังเกตว่าลักษณะของอารมณ์เช่นนี้บางครั้งบางคราวคนทั่วไปที่มีสติสัมปชัญญะพอสมควรก็าสามารถสัมผัสได้ในชั้นใดชั้นหนึ่งเช่นตัวอย่างว่าเห็นเด็กทะเลาะ ก, กันบางครั้งก็อาจจะเกิดความขัดเกงเกิดความรำคาญหรือเกิดความอยากให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะแสดงว่าในขณะนั้น ใจได้เอื้อมเข้าไปคลุกคร้ากับการกระทําของเด็กไม่ได้ปรงใจลงไปว่านั่นคือเด็กเป็นเรื่องของเด็กเป็นธรรมดาของเด็กแต่ว่าขณะใดที่ปรงใจได้ว่าเป็นเรื่องของเด็กพี่น้องใจ ก, ก็ดีกันเองจิตใจของบุคคลก็จะไม่ร่าเร้อนไปด้วยแรงความรู้สึกในด้านใดด้านหนึ่งจึงหมายความว่าอย่างน้อยที่สุดในขณะนั้นๆ บุคคลก็สัมผัสผลคือความสงบจากกำนางของกิเลสแม้จะมีตัวกระตุ้นจากอารมณ์ภายนอกก็ตามตอนนี้เพราะอาศัย ส, สติสัมภชัญญะเป็นตัวลึกรู้ทันอารมณ์ที่บังเกิดขึ้นในขณะนั้นและหยุดยั้งความคิดของตนไว้ได้ในกรณีที่เป็นอารมณ์ซึ่งก่อให้เกิดความให้สงบมันมาจากภายนอกนั้น ขันนี้พึงดูตัวอย่างพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ว่าพระองค์จะหมดเกลียดอย่างสิ้นเชิงแล้วก็ตามแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปวางเฉยไม่รับรู้อารมณ์อะไรเหล่านั้นไปทุกกรณีเรื่องราวอะไรที่พอช่วยเหลือแก้ไขให้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้ก็ลงมือประพฤติลงมือกระทําแต่พอถึงจุดหนึ่งเป็นเรื่องที่สุดวิสัย ไม่อยู่ในฐานะจะแก้ไขอะไรได้ก็ทำใจมัธยัติเป็นกลางได้ครนีเพิ่งดูตัวอย่างในสมัยที่ราชวงศ์ของพระเจ้าประสรทิที่กุศลคือพระเจ้าวิทูตภัตกองทัพไปย่เยีกรุงกบิลพัทข่าพระยาตชวงของพระพุทธเจ้าสิ้นระชนไปเป็นอันมากในตอนแรกที่ทรงทราบนั้น ก็จะเด็ดไปป้องกันเอาไว้ถึงสองครั้งสองคราโดยกันแต่พอกองทัพยกไปในครั้งที่สมทรงพิจารณาเห็นด้วยประยานของพระองค์ว่าเป็นเรื่องของกรรมที่ไม่มีใครป้องกันได้ต้านทานได้แล้วพระองค์ก็มัทยัดอยู่ในถ้ำกลางข้อนี้ก็เป็นหลักในการปฏิบัติอย่างหนึ่งว่า การไปเกี่ยวข้องกับบุคคลเรื่องราวอะไรก็ตามในกรณีที่จะใช้เมตตากรุณาก็ใช้เมตตากรุณาไปเต็มตามความสามารถในคราวจะใช้โมติตาก็ใช้โมติตาไปแต่ในบางกรณีเป็นเรื่องสุดพิสัยจริงๆก็ปรองใจลงสู่กรร ม, มสัสกตายายคือความรู้ความจริงในกฎของกรรม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 จะปรงใจได้บางอารมณ์ที่ไม่อยู่ในฐานะในวิสัยที่จะไปแก้ไขปไัญหารายได้ใจของบุคคลก็มัธยัสถ์อยู่ในท่ามกลางได้ทำให้เกิดความสงบขึ้นภายในจิตใจอย่างน้อยที่สุดในช่วงนั้นในขณะนั้นก็ชื่อว่าได้พบเห็นความสงบเย็นที่เกิดขึ้นจากใจซึ่งไม่สายไปตามอำนาจของกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นผลักดัน ตามปกติแล้วตัวที่กระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางจิตนั้นท่านก็แบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆดังกล่าวแล้วคือตัวกระตุ้นจากภายนอกกระจายไปกำหนดอารมณ์ซึ่งทั้งสองประการนี้เมื่อบุคคลได้ใช้หลักคือสติปัญญาหรือสติสัมปชัญญะ เป็นเครื่องกำหนดพินิจพิจารณาอารมณ์ก็จะช่วยให้เกิดความสงบใจได้ในบางครั้งบางโอกาสจึงอาจจะนานหรืออาจจะน้อยก็ตามก็ตามปกติการสงบใจจากอารมณ์เหล่านั้นบางครั้งก็เป็นเรื่องที่กาหนดดูว่าไม่ควรจะเข้าไปเกี่ยวข้องกร น, นี้ก็มีแบบฉบับในกรณีของพระพุทธเจ้า เช่นคราเสด็จไปโปรดพระประยุรญาติที่ทะเลาะกันเพราะแย่งน้ําในแม่น้ําโรหิเนในขณะที่ประญาติเขาวุ่นวายกันนั้นพระพุทธจ้ทรงเปล่งพระพุทธูปทานเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือว่าในขณะที่คนอื่นเขาทะเลาะกันเราไม่ทะเลาะกันในขณะที่คนอื่นเขาด่ากันเราก็ไม่ด่าเขาในขณะที่คนอื่นเขาโกรธเขาปราดปรหังกัน เราก็ไม่โกรธไม่ประหารประหารแล่ทุกขั้นตอนจะสรงจบด้วยคำว่าอยู่เป็นสุขดีจริงเนานี่ก็เป็นหลักการปฏิบัติอีกชั้นหนึ่งที่ทำใจของบุคคลให้สงบนั่นก็คือการเข้าไม่ไปไม่เข้าไปคลุกอารมณ์ในกรณีที่จะเป็นการเพิ่มกิเลสเพิ่มความรุนแรงเพิ่มการบีบเปียนประทุษรายให้สูงขึ้น เพราะยังไงยังไงใจคนก็ต้องคิดอารมณ์ต้องรับรู้อารมณ์ต้องเก็บอารมณ์เพราะนัการไม่ไปคลุกคล้ากับอารมณ์ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่ไปคลุกคล้าทุกชนิดของอารมณ์แต่ท่านสอนไม่คลุกคล้าอารมณ์อยู่เพียง4ลักษณะด้วยกันเท่านั้นเองลักษณะของอารมณ์ใดที่ก่อให้เกิดความกำห น, นัดคือเป็นการเพิ่มกิเลสสายราคะสายโลภให้สูงขึ้น อยากได้นี้อยากได้โน้นอยากได้นั่นซึ่งกิเลสสายนี้จะไม่มีการยุติด้วยแรงปรารถนาคือจะควยคว้ายอยู่ร่ําไปในลักษณะของว่า น, นอนที่ล่นไปในบนต้นไม้เกิจับกิ่งนี้วางกิงก่งนั้นจับกิ่งนั้นวางกิ่งโนอนอยู่ร่าไปวาันถ้าบุคคลไปปล่อยใจให้ไหลไปในอารมณ์เหล่านั้นมากนะัก ความสงบทางใจก็ไม่เกิดขึ้นในที่สุดก็จะตกอยู่ในสภาพที่ส่งใช้คําว่ากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวกลางคืนก็หมก ม, มุ่นวุ่นวายอยู่ที่แรงปรารถนาต้องการอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งโน้นคิดพร่านไปในรมตอนนั้นพอตกกลางคืนก็สว่งหาไขว่คว้าแต่ในกรณีของความถูกต้องเป็นธรรม ในชั้นสมาชีวะก็ไม่เสียหายอะไรแต่ถ้าความรู้สึกเหล่านั้นกระุนแรงมากเกินไปก็จะกลายเป็นการสแสวงหาที่ไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นเป็นการเพิ่มความเดือดร้อนในแก่ตนเองเพิ่มบาปอกุศลนี้เกิดขึ้นแก่ตนเอ ง, องบุคคลไม่นิสัยอารมณ์เหล่านั้นได้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจากแรงกระตุน้นจากภายนอกหรือว่าการตรึกนึกจากภายในใจ ที่ท่านเรียกว่าวิตกบ้างเรียกว่าสังกปะบ้างเรียกว่าความตริความตรองเป็นต้นบ้างหรือบางครั้งท่านก็เรียกว่าสัญเจตนาคือความจงใจเหนี่ยวนึกถึงสิ่งที่ตนจำไว้แต่ถ้าเมื่อความเหนี่ยวนึกออกมาในรูปนั้นหรือการกาหนดอารมณ์ออกมาในรูปนั้นแล้วก็สอนให้บรรเทากระแสของอารมณ์เหล่านั้น เพาะปล่อยทุกลามแล้วจะมีแต่ผลเสียโดยส่วนเดียวใ น, นั้นต่อไปก็คือเรื่องอารมณ์ที่ก่อให้เกิดเป็นความไม่พอใจไม่สอใจความขัดเคืองความห ง, งุดหงิดความงุนง่านอาฆาตพยาบาทก็แล้วแต่ความรุนแรงที่บังเกิดขึ้นภายในใจความรู้สึกประเภทนี้ก็มีลักษณะเหมือนไฟที่ไม่อิ่มเชื้อเหมือนกัน มจะมีลักษณะลามปามลุกป้ายไปในที่ต่างๆมีเชื้อเพิ่มขึ้นก็จะมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นและบางทีก็กระจายตัวเองออกไปเป็นลักษณะของอาการปรุงพรัง่งทางอารมณ์ก้อนนี้ลองสังเกตว่าเมื่อความคิดในสายนี้เกิดขึ้นไปกำหนดบุคคลใดค น, คนใดคนหนึ่งข่าวก็จะออกมาทั้งรูปของ สายโธ่สะออกมาทั้งรูปของมัจฉิยะออกมาทั้งรูปของความริชยะและจะเพิ่มพูนกิเลสในส่วนหนึ่งๆขึ้นไปกลายเป็นโรคทางใจที่แผดเผาก่อให้เกิดความร้าร้อนทั้งความรู้สึกสายนี้ก็ทรงสอนให้มองเห็นโทษการมองเห็นโทษนั้นบางครั้งก็ทรงสอนในสิ่งที่เป็นรูปธรรม จะมองหเห็นว่าเหมือนหัวฝีบ้างเหมือนลูกศรที่กำทราบระยะพิษบ้างเหมือนสตราวุฒบ้างเหมือนเปลวเพลิงบ้างเหมือนศีสระสารพิษบ้างเหมือนการถือคบเพลิงที่ทวนลมเป็นต้นบ้งางพระเจ้าทรงอาศัยสิ่งที่เป็นรูปธรรมซึ่งคนสังเกตได้มองได้ง่ายมาเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้ถึงสภาวะของสิ่งเหล่านั้น ว่าเป็นสิ่งที่น่าหวาดน่ากลัวอย่างน้อยที่สุดใจของบุคคลก็จะไม่ปล่อยให้ความรู้สึกเหล่านั้นครอบงาใจจนรุนแรงเกินไปสงบใจไว้ได้ลดความรุนแรงต่างๆลงไปได้อารมณ์อีประเภทหนึ่งจึ่งมีลักษณะที่ก่อให้เกิดความหลงความไม่เข้าใจในเหตุในผลเหล่านั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่มาก ก็ตามปกติแล้วคนมกกักจะตัดสินอารมณ์ตามประสาทสัมผัสของตัวเองอเห็นรูปสวยๆก็กําหนดว่าสวยไลยได้ยินเสียงไพเราะ ก, ก็กําหนดว่าไพเราะเลยสูดดมกลิ่นที่หอมๆก็กําหนดว่าหอมแล้วก็อยากแก่สูดดมต่อไปเมื่อได้รสที่รู้สึกว่าอร่อยก็อยากแกรับประทานต่อไปแล้วใจก็กําหนดว่าอร่อยประสาสัมผัสที่น่าจะต้อง ก็กำหนดเอาอตรงนั้นแล้วก็อยากแับต้องต่อไปแดีวทั้งหมดนั้นถ้ามองกันในแนวของการปฏิบัติแล้วแม้แต่ บ, บรรพชนไทยเองท่านก็เข้าใจธรรมะเหล่านี้ลึกซึ้งเพราะความจริงที่ปรากฏนั้นไม่แน่เสมอไปว่าจะจริงอย่างที่ปรากฏบางครั้งก็เป็นมายาเป็นภาพลวงตา พระพุทธเจ้าได้ทรงสอนให้บุคคลได้ใช้ความคิดยกตัวอย่างเช่นคราวหนึ่งเมื่อพระเจ้าประเสณที่โกศลได้เสด็จมาเฝ้าพระพุทธองค์มีพวกนักบวชประเภทต่างๆถึงเจ็ดประเภทด้วยกันเดินมาพระเจ้าไปประสเสณที่โกศลยกมือประคองอัญชลีประกาศชื่อของตนดานมากราบหูลพระพุทธเจ้า ชะลาคนเหล่านี้จะเป็นพระอหันต์รูปใดรูปหนึ่งในโลกนี้พระพุทธเจ้าไม่มีพระประสงค์จะให้พระองค์เสียพระพะักเสียน้าก็รับสั่งให้สติว่าความเป็นผู้มีศีลนั้นจะรู้ได้ก็ต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันและอยู่ร่วมกันนานๆด้วย เราใช้หลักโยนิสโสมนสิการคือพินิษพิจารณาโดยอุบานแยบคายโดยเหตุดโดยผลคนมีปัญญาเท่านั้นจะรู้ได้คนไม่มีปัญญาไม่สามารถจะรู้ได้หรือว่าความสะอาดจะรู้กันได้ที่ถ้อยคำคือยามที่บุคคลเดอรนั้นพูดจาออกไปแต่ต้องอาศัยการฟังนานๆเทียบเคียงบ่อยๆ อาศัยหลักของโยนิโสโอมนานสิการตรวจสอบให้ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาจึงจะสามารถตัดสินใจได้หรือว่าความรอบรู้ความแตกฉันมีสติปัญญาก็ต้องรู้จักการสนทนาการสอบถามการโต้ตอบการชี้แจงเรื่องราวต่างๆต้องคุยกันนานต้องสังเกตทเที่ยวเคียงกันนาน ต้องมีหลักของโยนิโสมนสิการค่าบิณิพิจน า, าแล้วต้องใช้ปัญญาถ้าขาดปัญญาก็รู้ไม่ได้จเป็นการแสดงเห็นว่ากว่าจะวินิจฉัยอะไรได้ในแง่ของความจริงนั้นไม่ใช่นิ่งๆ่งตัดสินใจได้กติของไทยเองก็เข้าใจในเรื่องเหล่านี้อย่างใ น, งในกรณีของรูปร่างพระก็สั่งสอนเอาไว้ว่าถ้าเห็นเขียวเขียวใหญ่เฉลียวว่าองค์อิน บางครั้งอาจจะเป็นอินพรอมก็ได้เพราะกำหนดเอาที่เขียวอย่างเดียวไม่ได้หรือว่าอย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนเดี๋ยวฟังหูไว้หูหรือได้ควรก่อนแล้วจึงทำดีกว่าเป็นต้นนี่เป็นการสอนให้บุคคลพยายามใช้ปัญญาเข้าวิเคราะห์ตรวจสอบลักษณะอารมณ์เราเนั้นเพราะภายในใจของบุคคลมีความความหลงหรืออวิชชาครอบงำจู๋ มีเชื้อโยนภายในใจมากเป็นพิเศษก็คล้ายๆกับว่าเราอยู่ในที่มืดอยู่แล้วแต่เมื่อไปมืดเพิ่มเข้าก็ต้องระมัดระวังมากยิ่งขึ้นเพราสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องนั้นจะเพิ่มความมืดหรือเพิ่มความสว่างขึ้นมาถ้าไปเพิ่มความมืดเข้าเราเดินไม่ก็เห็นอยู่แล้วก็ยิ่งหลงทางกันเป็นการใหญ่ดังนั้นปัญหาเรื่องการแก้จัดความหลงหรืออารมณ์ที่ก่อให้เกิดความหลง จึงจำเป็นจะต้องเพิ่มพูนปัญญามากเป็นพิเศษและต้องมองกันหลายชั้นเทียบเคียงกันหลายชั้นไม่ใช่เชื่อศักว่าได้ยินได้ยินได้สุดดมได้ดิมได้ถูกต้องเพราะนั้นไม่ใช่ข้อยุติว่า น, นั้นคือความจริงหรือบางครั้งบางคราวบุคคลอาจจะตัดสินเอากับความศรัทธาหรือความเชื่อ จะปักใจฟังใจลงไปหรือบางครั้งอาจจะเกิดพความชอบที่พระพุทธเจ้าทรงใช้คําว่ารู้จิคือความชอบใจอาจจะอาศัยรูปที่ตนเห็นเป็นต้นแล้วก็ชอบใจแต่บางครั้งก็ฟังข่าวเขาเล่าลือเอาบางครั้งก็ตรึกนึกเอาตามอาการเห็นคนนั้นสงบเสงี่ยมเรียบร้อยดีน่าเคารพนับถือบูชาเรื่องเราเนี่ยโบราณท่านก็ ให้อนุสติเตือนใจคนจะเล่าเรื่องนกยางตำเสียนบ้างเสือจำศีลบ้างเพื่อมองเห็นว่าอาการที่แสดงออกนั้นไม่จะเป็นเช่นนั้นเสมอไปคือจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ที่พ ร, ระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่าต้องโยนิโสมนสิการจึงรู้ได้ไม่โยนิโสมนสิการรู้ไม่ได้คน ม, มีปัญญาเท่านั้นจะรู้ได้คนไม่มีปัญญารู้ไม่ได้ ตรงช้าก็ว่าปัญญาสามรู้ไม่ได้คือหมายความว่าถ้าปัญญาน้อยก็รู้ไม่ได้นั้นการวินิจฉัยอารมณ์เพื่อม่ให้เกิดความหลงจึงท่งสอนให้บุคคลเพิ่มพูนปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาแล้วก็สามารถสงบใจจากอารมณ์มันเป็นที่ตั้งแห่งความหลงได้อารมณอ์อีกประการหนึ่งอาจจะก่อให้เกิดความประมาทความเผลอเรอความพรั้งพร้าต่างๆ ข้อนี้ก็ต้องใช้สติเป็นธรรมะเป็นที่ระลึกเึืรู้ระลึกทันต่ออารมณ์เหล่านั้นที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องเพราะอารมณ์ที่ทําใจให้ไม่สงบมันก็มีอยู่สี่ประเภทอย่างนี้ไม่จะเรียกชื่อมากมายกายกองอยังไงก็ตามแต่ถ้าเรามองทางมาหรือทางเกิดก็จะมีอยู่สี่ทางกันนี่คล้ายๆก็เป็นการมองกิเลสคือจะเรียกชื่ อ, อยังไงก็ตามก็คือโลกเกรีดหลงนั่นเอง หรือจะมองความดีในชั้นของการประพฤติปฏิบัติก็คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองเป็นต้นเพื่อ้มองอะไรชัดเจนมากยิ่งขึ้นบางครั้งบางคราวมองให้เห็นได้ชัดอาจจะตั้งปัญหาสืบสาวต่อไปว่าอะไรเป็นอย่างไรถ้าไปเหนี่ยวนึกก็เหนี่ยวนึกเพื่ออะไรจนเหนี่ยวนึกไปแล้วได้ประโยชน์อย่างไร เมื่อตั้งคำถามใจขึ้นมาบ่อยๆบุคคลก็เห็นว่ายัางอารมณ์ในกรณีของตัวอย่างที่ว่ามาแล้วคือที่พระพุทธเจ้าไม่ได้เสด็จไปป้องกันพระญาติเพราะอยู่ในวิสัยของกรรมสมมติเราไปทำก็ทำไม่ได้เมื่อทำไม่ได้ก็เป็นความสูญเปล่าเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับการมองปัญหาได้อย่างลึกซึ้งขนาดไหนคราวนี้เราจะพบว่า บรรดาคนเอเชียด้วยกันนั้นคนจีนมีพื้นฐานทางพุทธปรัชญาสูงพอกระปนกระเตากับคงชื่อแต่เขาก็เข้าใจอีกชั้นหนึ่งซึ่งก็ตรงกับหลักของพระพุทธเจา้าแต่ก็ตื้นกว่าเท่านั้นเองคือสิ่งบางอย่างนั้นเขาบอกฟ้าดินกำหนดไว้บางอย่างพูดเป็นรูปธรรมน้อยบอกเป็นประกาศสิทธิ์ของสวรรค์ไม่มีใครสามานแก้งขืนได้ ดังนั้นในกรณีของฟ้าดินกําหนดหรือประกาศสิทธิของสวรรค์คนจีนก็จะไม่ฝืนหรือไม่ปล่อยให้เวลาสูญเสียไปเพราะไปแข็งขืนกับฟ้าดินหรือประกาศสิทธิของสวรรค์แต่ว่าสิ่งทั้งสองประการนี้ถ้ามองแนวพระพุทธศาสนาก็คือกรรมที่บุคคลไม่สามารถจะไปแข็งขืงกนกรรมได้เมื่อก็ไปแข็งขืนก็เดือดร้อนสูญเสียเวลา บางครั้งเป็นเรื่องที่สุดวิสัยเราเล็กเกินไปตัวน้อยเกินไปไปทำเรื่องเหล่านั้นจะเปล่าประโยชน์พระภูมิพระภักจ้าได้รับสั่งเล่าเป็นนิทานปคนุคคลบอกว่าไอากาตัวหนึ่งลูกมันตกน้ำตายก็ต้องการจะเอาลูกขึ้นมาให้ได้ก็ใช้จะงอยปากวิทย์น้ำทะเล จะเป็นการยกตัวอย่างว่าการกระทํานอกวิสัยจะทาไปแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาเหมือนน้าทะเลมากมายขนาดนั้นปากกาเล็กขนาดนั้นจะไปวิดน้ําทะเลนั้นเป็นไปไม่ได้แล้วก็ตัดใจไม่เกี่ยวข้องการมนันเพราะถือว่าเป็นเรื่องนอกวิสัยหรือสุดวิสัยไม่ไปเอื้อมแบกขันชนิดที่แบกแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมา แนนอนในชั้นสูงสุดนั้นการแบกขันท่านก็สอนให้ปล่อยวางทั้งหมดคือไม่แบกทั้งหมดแต่ในชั้นชีวิตสามัญชนนั้นก็ต้องแบกขันอยู่บ้างแต่เมื่อแบกก็ต้องมองในแง่ของประโยชน์จากการแบกถ้าแบกแล้วไม่ได้ประโยชน์ก็ต้องทิ้งต้องวางแต่ถ้าบางอย่างแบกไปแล้วได้ประโยชน์กว่าจะต้องแบกต้องหามกันอยู่เพราะเป็นเรื่องระดับของโลกิยธรทำ จะเอลกุตระธ ร, รมเต็มรูปไม่ได้เมื่อบุคคลปฏิบัติอย่างนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติให้เหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของอารมณ์ก็สามารถสงบใจของตนได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่ออารมณ์อันเป็นข้าศึกแห่งความสงบใจบางร่างการมีความรู้เท่าทันต่ออารมณ์เหล่านั้น สํารวมมาลีใช้คําว่ายานสังวรคือสํารวมระวังด้วยความรู้แล้วก็หยุดไว้เท่านั้นฉันว่ามีอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเหนียวนึกขึ้นมาหรือว่าจะกระตุ้นมาจากข้างนอกมาตาวินิจฉัยอารมณ์ได้ในทันทีทันใดแล้วก็หยุดไว้เท่านั้นเป็นอาการรู้เท่าทันในเวลานรวดเร็วและตัดสินปัญหาเฉพาะหน้าได้ ลำนองกับว่าสเก็ดไฟมาตกที่เสื้อผ้าแล้วก็สลัดออกไปได้ทันทีผ้านั้นก็ยังคงอยู่สะเก็ดไฟเหล่านั้นก็ไม่สามารถทําอันตรายแก่เสื้อผ้าได้และการตัดสินอารมณ์บางครั้งที่ทรงแสดงในแนวละเอียดเช่นทรงแสดงในสายของยิโรตัสสัจจะเกี่การดับกิเลสในชั้นละเอียดทรงสอนว่า พวกเราเนี่ยเกิดขึ้นในอายตนะภายในภายนอกเป็นต้นเพราะงั้นถ้าจะดับก็ดับที่อายตนะภายในก็ได้ภายนอกก็ได้วิญญาณก็ได้สัมผัสก็ได้เวทนาก็ได้ที่พิโตก็ได้วิจารณ์ก็ได้ตัณหาก็ได้สัญญาก็ได้สัญเจตนาก็ได้เป็นต้นซึ่งหมายความว่าถ้าหากว่ามีความรู้เท่าทันวันเกิดขึ้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของบุคคลบุคคลจะแก้ไขลงได้เป็นอันมาก แล้วจะช่วยให้เกิดความสงบสงบใจจากอารมณ์เป็นค่าศึกต่อความสงบแม้ใจจะยังส่ายอยู่ก็จะไม่ส่ายไปในทุกเรื่องทุกกรณีทําใจสงบได้ทําให้ใจได้พักผ่อนเป็นการเสริมสร้างพลังใจของตนเองโดยการปฏิบัติเพียงขั้นนี้ก็ชื่อว่าเข้าสู่ร่มเงาของอรหัตคุณคือคุณของพระหันในชั้นหนึ่ง จอมได้รับความสุขความสงบความเชื่อจริตามสมควรแก่การประพฤติปฏิบัติแห่งตนต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป